ทำบุญสักอย่างหรือหลายๆอย่างให้คงเส้นคงวาเป็นอาจินผู้มีอาจิน ก, กรรมทำบุญด้วยใจต่อเนื่องย่อมไม่สวยบุญแบบพลุกๆโผล่ ๆ, ๆและไม่มีทางบนว่าทำบุญไม่เห็นได้บุญตรงไหนทำไมทำบุญไม่เห็นได้ดีทำบุญแค่ไหนถ้าไม่ได้ทำด้วยใจหรือมีใจไม่ต่อเนื่อง ก็ได้ดีมีสุขยากทั้งชาตินี้และชาติหน้าตอนเช้าเช้าอากาศดีดีพอเห็นพระเดินผ่านหน้าบ้านอย่างสำรวมและคุณนึกอยากใส่บาตขึ้นมาเองจากนั้นวันต่อมาสนองความปรารถนาของตนเองตื่นขึ้นมาทำกับข้าวกับมือแล้วออกไปดักรอใส่บาต ท, ท่านพอสำเร็จก็เกิดความปลาปลื้มสมานักอยู่นานางนั้นเรียกว่าทำบุญด้วยใจให้ผลเป็นสุขทันที กับทั้งมีกมขาวก่อตัวสาเร็จมองไม่เห็นด้วยตาแต่รู้สึกได้ด้วยใจเป็นเงาตามตัวรอให้ผลในชาติถัดไปอย่างน้อยจะได้เกิดมาทาบุญใส่บาตรกับพระในพุทธศาสนาอีกและอาจได้เป็นมนุษย์ผู้มีดีมีอายุวันนะสุขและพลังอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดสมกับที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ให้อายุย่อมได้อายุผู้ให้วันนะ ย่อมได้วันนะผู้ให้สุขย่อมได้สุขผู้ให้กำลังย่อมได้กำลังอย่างไรก็ตามแม้ทำบุญด้วยใจถ้ามีใจวันเดียวทำหนเดียวบุญนั้นก็มีกำลังอ่อนวัดจากใจที่สุขได้อย่างมากวันเดียวก็จางและเมื่อถึงคิวบุญได้ช่องเพลิดพนในชาติหน้าก็อาจมาแบบรางวัลใหญ่หนเดียวและเวนวักยาวเช่นได้มรดกช่วยชีวิตขณะใกล้ตกอับ ซื้อหวยแล้วรวยยกระดับชีวิตได้หรือกำลังหิวและชอบมีคนเอาของดีๆมาให้กินแต่ก็มาง่ายไปง่ายไม่นานก็หมดลำบากกันต่อสรุปคือถ้าไม่ทำบุญด้วยใจให้ต่อเนื่องผลของบุญก็เดียวๆทั้งชาตินี้และชาติหน้าอย่าให้ต้องพูดถึงบุญที่ฝืนใจทำหรือทำด้วยความโลภคิดค้ากำไรเกินควรทาสังฆทานสีถังแต่หวังจะถูกหวยสี่ล้าน าการใส่บาตรเป็นบุญใหญ่อย่างหนึ่งแต่ไม่ใช่บุญเดียวที่มีอยู่ในธรรมชาติแค่คิดถึงคนอื่นในทางดีรวมปลืมกับความสำเร็จในทางดีของเขาไม่ริษยาหาทางบ่นทำลายเขาเท่านี้ก็จัดเป็นบุญอันเกิดจังมนกรรมอันเป็นกุศลแล้วแค่ยังปากไม่พูดโกหกด้วยความตั้งใจงดเว้นไว้ก่อนและทําตามความตั้งใจได้เกิดความโล่งอกโล่งใจได้ ภาคภูมิใจในความมีใจใหญ่เกินกิเลสของตนได้เท่านี้ก็จัดเป็นบุญอันเกิดจากวาจีกรรมอันเป็นกุศลแล้วอย่างไรก็ตามชาพุทธสมัยนี้มักจำสืบๆกันมาว่าบุญมีหลายอย่างไม่ใช่ใส่บาตรอย่างเดียวแต่ให้ถามจริงๆว่าบุญแบบไหนที่ตัวเองทำประจำทำแล้วยังใจให้ชุ่มชื่นเป็นสุขได้อย่างต่อเนื่อง หลายคนนึกไม่ออกบอกไม่ถูกเพราะมักทำทำหยุดหยุดไม่โกหกวันนี้ก็โกหกวันหน้ามองแง่ดีเมื่อเขาเอาเงินมาให้พอหายหน้าก็นินทาว่าร้ายขุดเรื่องน่าอายสมัยอนุบาลมาแฉอย่างนี้เป็นต้นทางที่ดีคือเลือกที่จะทำบุญสักอย่างหรือหลายๆอย่างให้สม่าเสมอคงเส้นคงวาเป็นอาจินอย่างที่ท่านเรียกว่าอาจิ น, นกรรม จะได้บอกตัวเองถูกแบบจำได้ขึ้นใจว่าชาตินี้บุญใหญ่ที่ทำด้วยใจอย่างต่อเนื่องของเราคืออะไรชาตินี้มีความสุขชนิดใดพอกพูนขึ้นเรื่อยๆกับทั้งพยากรณ์ตัวเองถูกว่าถ้าชาติหน้ามีจริงเราจะได้เสวยบุญแบบไหนไม่เสื่อมคลายผู้มีอาจินกรรมทำบุญด้วยใจต่อเนื่องย่อมไม่เสวยบุญแบบพลุพลุโล่ และไม่มีทางบนว่าทางบุญไม่เห็นได้บุญตรงไหนไม่เห็นได้ดีกับใครสักทีเลย